ธรรมะใกล้ตัวฉบับที่34คอลัามน์ธรรมะจากพระผู้รู้โดยสันตินันหรือพระปราโมทปราโมโชในปัจจุบันถามสงสัยว่าเมื่อมีสมาธิจากการนั่งสมาธิแล้วจะเกิดปัญญาได้อย่างไรตอบขึ้นกับชนิดของสมาธิด้วยนะครับ ถ้าเป็นมิจฉาสมาธินั่งเอาสงบเคลือบเคลิม้มหรือเที่ยวรู้เที่ยวเห็นร่อนเร่ออกไปภายนอกก็ไม่ใช่ต้นทางของปัญญาแต่ถ้าเป็นสัมมาสมาธินั่งเพื่อความมีสติสัมปชัญญะมีความตั้งมั่นของจิตแล้วเอาจิตนั้นไปรู้ความเกิดดับของรูปนามอย่างเป็นปัจจุบันก็เป็นทางแห่งปัญญาครับจากกระทู้ลานธรรมดอทเน็ตถาม แม่เช้าขับรถออกจากบ้านมีลูกแมวตัวเล็กๆร้องลั่นหันไปดูขาหลังลากเลยครับความรู้สึกแรกความรู้สึกแรกคือเราคงความรู้สึกแรกคือเราคงออกรถทับขามันเข้าให้แล้วเห็นมันร้องและดิน้นทันใดนั้นเข้าใจว่าเป็นแม่หรือพ่อมันละครับวิ่งมาเพราะลายเดียวกันมันหันมามองแบบจะเอาเรื่อง จะพาไปหาหมอก็รีบมากเพราะสายแล้วไม่สบายใจมาตลอดทางกะว่าเย็นนี้จะไปดูมันแล้วพาไปหาหมอมันเป็นแมวจรจัดนะครับที่จะถามก็คือผมไม่ได้มีเจตนาเลยที่จะทำให้เขาเดือดร้อนจะบาปไหมครับหรือว่าเป็นกรรมของเขาครับไว้เจอตัวอีกทีจะพาเขาไปหาหมอครับตอบ ขอเสนอให้ทำใจให้สบายได้แล้วครับไม่ควรปล่อยให้ความเศร้าหมองกัดกร่อนใจตนเองนานๆเราไม่มีเจตนาจะทำร้ายสัตว์แต่มันก็บาดเจ็บไปแล้วความเสียใจของเราไม่ได้ก่อประโยชน์อะไรเลยครับมีแต่จะทำให้อกุศลจิตยืดเยื้อต่อไปอีกเย็นนี้ลองไปดูมันถ้ามันยังอยู่จะพาไปหาหมอก็ขออนุโมทนาครับ เป็นน้องใหม่เพิ่งเริ่มต้นค่ะไม่ทราบว่าการดูจิตคืออะไรทำอย่างไรดูแล้วมีผลอย่างไรคำว่าการดูจิตเป็นคำที่นักปฏิบัติกลุ่มหนึ่งบัญญัติขึ้นเพื่อใช้สื่อความหมายกันเองภายในกลุ่มหมายถึงการเจริญเวทานานุปัสนาสติปัฏฐานจิตตานุปัสนาสติปัฏฐานทุกบัพระรวมถึงธรรมานุปัสนาสติปัฏฐาน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 คืออารมณ์ที่มีตัวจริงที่สามารถแสดงไตรลักษ์ได้หรือที่นักปฏิบัติมักจะเรียกว่าสภาวะและนักปริยัติเรียกว่าอารมณ์ปรมัต a เมื่อจะลงมือปฏิบัติก็ให้ 1. มีสติเฝ้ารู้ให้ทันหรือมีสัมมาสติ 2. ถึงอารมณ์หรือสภาวะธรรมที่กำลังปรากฏหรือมีอารมณ์ปรมัต a 3. ด้วยจิตที่ตั้งมัน่น ไม่เผลอส่งสายไปที่อื่นและไม่เพ่งจ้องบังคับจิตหรือมีสัมมาสมาธิแล้ว4จิตจะรู้สภาวะธรรมทั้งปวงตามความเป็นจริงหรือมีสัปชัญญะมีสัพชัญญะหรือสัมมาทิฏฐิการมีสติเฝ้ารู้ให้ทันหมายถึงสิ่งใดเกิดขึ้นตั้งอยู่หรือดับไปก็ให้รู้เท่าทันเช่นขณะนั้นรู้สึกมีความสุข ก็ให้รู้ว่ามีความสุขเมื่อความสุขดับไปก็ให้รู้ว่าความสุขดับไปมีความโกรธก็รู้ว่ามีความโกรธมีความโกรธเมื่อความโกรธดับเมื่อความโกรธดับไปก็รู้ว่าความโกรธดับไปเมื่อจิตมีความทยานอยากอันเป็นแรงผลักดันให้ออกยึดอารมณ์ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจก็ให้รู้ว่ามีแรงทยานอยาก เป็นต้นอารมณ์หรือสภาวะธรรมที่กำลังปรากฏต้องเป็นอารมณ์ของจริงไม่ใช่ของสมมุติโดยผู้ปฏิบัติจะต้องจำแนกให้ออกว่าอันใดเป็นของจริงหรือปรมาถธรรมอันใดเป็นของสมมุติหรือบัญญัติธรรมเช่นเมื่อจิตมีความสุขก็ต้องมีสติรู้ตรงเข้าไปที่ความรู้สึกสุขจริงๆเช่นเมื่อจิตมีความโกรธก็ต้องรู้ตรงเข้าไปที่สภาวะของความโกรธจริงๆ เมื่อมีความลังเลสงสัยก็ต้องรู้ตรงเข้าไปที่สภาวะของความลังเลสงสัยจริงๆอย่างนี้เป็นต้นและเมื่อหัดรู้มากเข้าจะพบว่านามธรรมจํานวนมากผุดขึ้นที่อกหรือฮทไยรูปแต่ผู้ปฏิบัติไม่ต้องเที่ยวควานหาฮทไยรูปหากกิเลสเกิดที่ไหนและดับลงที่ไหนก็รู้ที่นั้นก็แล้วกันครับถ้าเอาสติไปตั้งจอดูผิดที่เกิดก็จะไม่เห็นของจริง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 ที่จะต้องรู้สภาวธรรมหรือปรมาท ธ, ธรรมให้ได้เพราะมันคือพยานหรือแบบเรียนที่จิตจะได้เรียนรู้ถึงความเกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปของมันจริงๆไม่ใช่แค่คิดๆเอาว่ามันเป็นอย่างนั้นอย่างนี้เมื่อมีสติรู้สภาวธรรมหรือปรมาทธรรมที่กำลังปรากฏแล้วผู้ปฏิบัติจะต้องมีจิตที่รู้ตัวตั้งมัน่นไม่เผลอไปตามความคิดที่จะเกิดตามหลังการรู้สภาวธรรม เช่นเมื่อสภาวะบางอย่างเกิดขึ้นในจิตอันนี้เป็นประมัต ธ, ธรรมถัดจากนั้นก็จะเกิดสมมุติบัญญัติว่านี้เรียกว่าราคะสมมติตรงนี้ห้ามไม่ได้เพราะจิตเขามีธรรมชาติเป็นนักจำและนักคิดผู้ปฏิบัติจริงไม่ต้องไปห้ามหรือปฏิเสธสมมติบัญญตัติเพียงรู้ให้ทันอย่าได้เผลอหรือหลงเพลินไปตามความคิดนึกปรุงแต่งนั้นหรือแม้แต่การหลงไปคิดนเรื่องอื่นๆด้วย แล้วให้เฝ้ารู้สภาวะที่สมมติเรียกว่าราคานั้นต่อไปในฐานะผู้สังเกตการจึงจะเห็นไตรลักษณ์ของสภาวะอันนั้นได้ในทางกลับกันผู้ปฏิบัติที่ไปรู้สภาวะที่กําลังปรากฏจะต้องไม่เพ่งในสภาวะนั้นด้วยเพราะถ้าเพ่งจิตจะกระด้างแล ะ, จะเจริญปัญญาไม่ได้แต่จิตจะจาและจับสภาวะอันนั้นมาเป็นอารมณ์นิ่งๆแทนการรู้สภาวะจริงๆ งให้จิตเป็นเพียงผู้สังเกตการเหมือนคนดูละครที่ไม่โดดเข้าไปเล่นละครเสียเองจิตที่ทรงตัวตั้งมั่นนุ่มนวลอ่อนโยนควรแก่การงานโดยไม่เผลอและไม่เพ่งนี้แหละคือสัมมาสมาธิเป็นจิตที่พร้อมที่จะเปิดทางให้แก่การเจริญปัญญาอย่างแท้จริงคือเมื่อจิตมีสติรู้ปรมัธธรรมด้วยความตั้งมั่นไม่เผลอและไม่เพ่ง จิตจะได้เรียนรู้ความจริงของปรัมัธธรรมอันนั้นๆ4ประการคือ 1. รู้สภาวะของมันที่ปรากฏขึ้นตั้งอยู่และดับไปหรือรู้ตัวสภาวะ 2. รู้ว่าเมื่อสภาวะนั้นเกิดขึ้นแล้วมันมีบทบาทและหน้าที่อย่างไรหรือรู้บทบาทของสภาวะ 3. รู้ว่าถ้ามันแสดงบทบาทของมันแล้วจะเกิดอะไรขึ้นหรือ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 ตัวอย่างเช่นในขณะที่มองไปเห็นภาพภาพหนึ่งปรากฏตรงหน้าจิตเกิดจำได้หมายรู้ว่านั่นเป็นภาพสาวงามและสภาวะธรรมบางอย่างก็เกิดขึ้นในจิตซึ่งเมื่อบัญญัติทีหลังก็เรียกว่าราคะการรู้สภาวะที่แปลกปลอมขึ้นในจิตนั่นแหละสภาวะที่แปลกปลอมขึ้นในจิตนั่นแหละคือการรู้ตัวสภาวะของมันแล้วก็รู้ว่ามันมีบทบาท หรืออิทธิพลดึงดูดให้จิตหลงเพลินพอใจไปกับภาพที่เห็นนั้นผลก็คือจิตถูกราคาครอบงำให้คิดให้ทาให้อยากไปตามอำนาจวงการของราคาและเมื่อรู้ทันราคามากเข้าก็จะรู้ว่าการเห็นภาพที่สวยงามเป็นเหตุใกล้ให้เกิดราคะจึงจำเป็นจะต้องเฝ้าคอยระวังสังเกตขณะที่ตากระทบรูปให้มากขึ้นเป็นต้น ในส่วนตัวสภาวะของราคาเองเมื่อผู้ปฏิบัติมีสติรู้อยู่นั้นมันจะแสดงความไม่เที่ยงให้เห็นทันทีคือระดับความเข้มของราคาจะไม่คงที่มันจะตั้งอยู่ไม่นานเมื่อหมดกำลังเพราะเราไม่ได้หาเหตุใหม่มาเพิ่มให้มันเช่นย้อนไปมองสาวมันก็ดับไปแสดงถึงความเป็นทุกข์ของมันและมันจะเกิดขึ้นก็ตามตั้งอยู่ก็ตามดับไปก็ตาม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 จะทำได้แค่กูไม่ใช่ตัวกูของกูคือจิตยังยึดอยู่ตัวกูของกูคือจิตยังยึดอยู่คือจิตยังยึดอยู่ยยยส่วนการที่จะลดลาได้จริงต้องเจริญสติปัฏฐานจริงๆเท่านั้นครับสรุปแล้วการดูจิตที่พูดถึงกันนั้นไม่ใช่การดูจิตจริงๆเพราะจิตนั่นแหละคือผู้รู้ผู้ดูผู้ยึดถืออารมณ์ แต่การดูจิตหมายถึงการเจริญวิปัสนาโดยเริ่มต้นจากการรู้นามธรรมซึ่งเมื่อชำนิชำนาญแล้วก็จะรู้ครบสติปัฏฐานทั้งสี่ด้านเองดังนั้นถ้าไม่ชอบคำว่าดูจิตซึ่งนักปฏิบัติส่วนหนึ่งชอบใช้คำนี้เพราะรู้เรื่องกันเองจะใช้คำว่าการเจริญเวทนานุปัสนาสติปัฏฐานการเจริญจิตานุปัสนาสติปัฏฐานการเจริญธรมานุปัสนาสติปัฏฐานก็ได้ครับ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 ในทางกลับกันถ้าจิตไม่มีคุณภาพคือไม่มีสัมมาสมาธิสัมมาสติและสัมมาทิฏฐิแม้จะพยายามไปรู้ปรามัดก็ไม่สามารถจะรู้ตัวปรามัด ต, ตัวจริงได้นอกจากจะเป็นเพียงการคิดถึงปรามัดเท่านั้นถ้าเข้าใจจิตใจตนเองให้กระจ่างชัดแล้วการเจริญสติปัฏฐานก็จะทำได้ง่ายถ้าไม่เข้าใจจิตใจตนเองก็อาจจะเกิดความหลงผิดได้หลายอย่างในระหว่างการปฏิบัติ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 ถ้าเข้าใจจิตใจตนเองได้ดีพอประมาณก็จะไม่เกิดความหลงผิดเหล่านี้ขึ้นข้อดีที่สำคัญอีกประการหนึ่งของการดูจิตก็คือการดูจิตเป็นวิปัสสนาชนิดเดียวที่ทำได้ทั้งสมโลกคือในกามหรือสุขติภูมิรูปภูมิหรือสุขติหรือสุขติภูมิรูปภูมิรูปภูมิ ส, ส, มมมส่วนมากและอรูปภูมิ แม้แต่ในเนวสัญญานาสัญญายัตนาภูมิอันเป็นภวะภูมิหรือสุดยอดภูมิของอรูปภูมิก็ต้องอาศัยการดูจิตนี้เองเป็นเครื่องเจริญวิปัสสนาต่อไปได้จนถึงนิพพานอันที่จริงสิ่งที่เรียกว่าการดูจิตนั้นแม้จะเริ่มจากการรู้นมามธรรมก็จริงแต่เมื่อลงมือทาไปสักระยะหนึ่งก็จะสามารถเจริญสติปัฏฐานได้ทั้งสี่อย่าง โดยจิตจะมีสติสัมปชัญญะต่อเนื่องอยู่ในชีวิตประจำวันนี้เองเพียงก้าวเดินก้าวเดียวก็จะเกิดการเจริญสติปัฏฐานได้ตั้งหลายอย่างแล้วได้ตั้งหลายอย่างแล้วคือเมื่อเท้ากระทบพื้นก็จะรู้รูปได้แก่ธาตุดินคือความแข็งภายในกายหรือรูปภายในและธาตุดินคือความแข็งของพื้นที่เท้าเหยียบลงไปหรือรูปภายนอก อันนี้ก็คือการเจริญกายานุปัสนาสติปัฏฐานแล้วและรู้ถึงความเย็นความร้อนคือธาตุไฟของพื้นที่เท้าเหยียบลงไปเป็นต้นขณะที่เท้าเหยียบพื้นนั้นถ้าสติรู้เข้าไปที่ความรู้สึกอันเกิดจากการที่เท้ากระทบพื้นเช่นความเจ็บเท้าความสบายเท้าก็คือการเจริญเวทานานุปัสนาสติปัฏฐานแล้วขณะที่เหยียบพื้นนั้นถ้าพื้นขรุขระเจ็บเท้า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 และอื่นๆอีกมากสิ่งเหล่านี้ล้วนแต่เป็นธรรมานุปัสนาสติปทานทั้งสิน้นที่เล่ า, ายืดยาวนี้เพื่อนใหม่ที่ไม่เคยลงมือเจริญสติสัมปชัญญะจริงๆมาก่อนอาจจะเข้าใจยากสักหน่อยครับดังนั้นถ้าอ่านแล้วเกิดความสงสัยมากขึ้นก็ลองย้อนมารู้เข้าไปที่ความรู้สึกสงสัยในจิตทีเดียวก็จะทราบได้ว่าความสงสัยมันมีสภาวะของมันอยู่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 ถ้าถนัดจะเจริญสติปัฏฐานอย่างใดก่อนก็ทำไปเถิดครับถ้าทำถูกแล้วในที่สุดก็จะทำสติปัฏฐานหมวดอื่นๆได้ด้วยจากกระทูล้ลานธรรมด e t เน็ net, อ่านโดยพงเพชรอมรอศิษฐ์